พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2555มีชื่อเรื่องว่าเป็นพระอย่าให้ขาดจิตตะภาวนาลำเบียบ เราไม่ให้พระอ่อนแอเราต้องให้พระเข้มแข็งเว้นเสียจะผ้าป่วยถ้าผ้าผู้ป่วยต้องมีเหตุผลพอจะนั่งไม่ใช่องค์ไหนก็นุ่นเดินโต๊โต๊ตเตะเตะคอยขึ้นรถตามรถนั่งรถหลวงพ่อออกไปต่อไปหลวงพ่อจะไม่รับนะปลอกลวงนาไว้ก่อนพระขี้เกียจไม่เสริมไม่เสริมพระขี้เกียจเป็นผ้าต้องเข้มแข็ง ถ้าเก็บไข้ได้ป่วยอือไม่ว่ากันแต่เป็นผ้าน้อยพ้าหนุ่มอดอดแอดแอดตึงตต่างๆเงอะเงเชอะเชเชอะเชอะจแล้วพอหลวงพ่อออกไปมาขึ้นรถน่ะไม่ได้ต่อไปเราจะไม่รับอันนี้เราบอกหลวงหน้าไปก่อนบอกให้ทั่วถึงไว้ก่อนถึงเวลาผูท่านเท่านหลร่ก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเท่าไหร่เวลาบินเบาตรไม่โูลหรอ ถ้าไม่รู้ขนาดนั้นจะมาศึกษาหาอะไรสิ่งที่ลึกลับกว่านั้นมีตั้งเยอะแยะสินสมาธิปัญญาที่จะชำระกิเลสมันมากกว่านั้นอีกเวลาบินทบาทเวลาเท่าไหร่พวกท่านไม่รู้เหรอต้องรู้เวลาบินทบาทเวลาไหนยังไงกดและเบียบเราบอกไปแล้วทุกองนะเวลาเดินบินทบาตก็เหมือนกันอยากคุยกัน เดินเป็นเคียงคู่เหมือนกับบัวล้อวัวเกวียนคุยกันตามทางมันไม่ใช่เรื่องของพระพระต้องเดินบินธบต้องสมรวมต่างองค์ต่างไปภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโธเดินไปเดินบินธบไม่ใช่เดินคุยกันเดินก็จะให้ห่างกันเกินไปถ้าเป็นไปได้ถ้าห่างกันเกินไปก็ แต่ก็ยังว่าวัดเราก็มันไม่ใช่ไปทำไร่ทำนาแต่ที่วัดป่าบ้านตาดเดินออกผ่านออกไปบินท่าบาทโดยมากชาวไร่ชาวนาเขาเดินผ่านมาเข้ามาเขานั่งประนมมือเขาต้องนั่งเห็นพระด้วยความเคารพแต่องค์หนึ่งมันห่างกันแต่เขาลุกจะลุกเดินก็ยังไงองค์หนึ่งก็จะมาพอจะลุกเดินองค์หนึ่งก็จะมาผลเขาลยนั่งเสียเวลาของเขา เพราะนั้นหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าอย่าให้ห่างกันเกินไปแต่อย่าใกล้ชิดกันอย่าไปคุยกันเดินเรียงแถวกันพอประมาณพอเขานั่งปนมมือแล้วก็พระเขาผ่านไปเป็นกลุ่มเขาก็จะได้ลุกไม่เสียเวลาของเขาสิ่งเหล่านี้ต้องคิดทั้งหมดพระเวลาเดินในถนนก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราเดินทางไหนที่รถมันจะสวนมา อย่าไปเดินทางรถสวนให้รู้จักกฎจราจรของเขาเราต้องเดินอีกรถทางไปเราต้องไปรถทางไปและก็อย่าไปอยู่คนละข้างกันทางคนละข้างถ้ารถมันมาอนะ่ะมันสวนกันไม่รู้เขาจะหลบทางไหนหเผื่อๆมันจะชนพระเอาเพราะพระอยู่ทั้งสองข้างไม่ต้องอยู่ข้างใดข้างหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดทั้งหมดเพราะเราอยู่ในโลกมันต้องทาให้ถูกโลกสมมติของเขา อย่าไปขวางโลกเดินทางไหนบินถาบาดทางไหนทางที่รถเดินทางไหนเดินเวลารถวิ่งมันก็ต้องการเดินไปก็วิ่งซ้ายไม่ใช่หรอณขณะที่ไปเราก็เดินอยู่ทางซ้ายเวลากลับมาเราก็เดินอยู่ทางขวาพอมันวิ่งมันวิ่งอีกทางเวลาทางมากระซ้ายอย่างเก่านั่นเราหันหน้าไปทางซ้ายมันก็อยู่ทางซ้ายแอบซ้ายเราก็จงแอบซ้ายให้เขา อย่าไปอยู่คนละข้างถ้าคุณคนละข้างแต่มันลถมาด้วยความเร็วนะ่ะมันมีปัญหานะ่ะบางทีรถคันหนึ่งมันล้าเส้นเหลืองออกมานะคนหนึ่งรัดคันหนึ่งวัจลิอย่างพอมันจะลิขขึ้นมาเนะี่ยท่าก็อีกอยู่คนละข้างกันไม่รู้เขาจะไปทางไหนนี่แหละอันตรายเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้ต้องคิดอย่าให้เกต ก, กะจราจรเขาต้องคิดเวลาเดินบินตบาทนานๆผมจะได้พูดทีหนึ่งสิ่งเหล่านี้นะ นี่แหละเรื่องบิดธาบาตะต้องดูนะสัมรวมพระวังทุกองค์แล้ว ก, ก็การปัดกวาดก็เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่สูงอายอุเวลานั้นก็ต้องปัดกวาดทำให้เหลื่อมกันสําหรับพระน้อยพระหนุ่มที่ทําการทํางานก็จะไปอาศัยงานจนขาดกิจวัตรคอวัดอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันพอที่จะหยุดงานพอที่จะทํางาน ก็จะหยุดงานได้ก็หยุดงานอง์ไหนที่หยุดไม่ได้เือเอาก็ทำงานช่วยวัดไปทำกิจทำงานช่วยวัดองไหนที่พระผู้เฒ่าที่มีอายุหรือว่าพระไม่สบายพระป่วยพอที่จะปัดกวาดได้ลงมือปัดกวาดทำงานเลื่อมกันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไปไม่ได้นะ องพ้าน้อยทำกิจวัตรพกน้ําร้อนน้าอุ่นน้าชากาแฟตอนบ่ายทำคือหน้าที่แต่พับผู้สูงอายุในั้นอาหารเสร็จแล้วก็มาฉันน้ําแล้วก็ไปพักแล้วก็ขี้เกียจปัดกวาดอีกมันถูกต้องไหมสิ่งเหล่านี้มันต้องคิดนะอยู่ที่ไหนจะให้คนอื่นหนักใจกับเราเราต้องคิดต้องช่วยกันคิด ไม่ใช่ว่าวัดของเราเดยวมาอยู่แบบสบายๆขี้เกียจทํากิจวัตรองคไหนถ้าเป็นอย่างนั้นบอกผมนะผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าผมมองหมู่ทุกองค์ให้ความเป็นธรรมทุกองค์ในวัดถ้าองคไหนทําให้หนักใจหมู่พวกเพื่อนเ ก, กกะยดกล้าลานใจนอกนงนองนักเลงใครเตือนไม่ได้ใครบอกไม่ได้ไม่ว่าองค์น้อยองค์ใหญ่บอกผม ผมเป็นหัวหน้าผมทำด้วยความเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นวินัยเพราะนั้นขอให้หมู่ทุกอง น, นะคือหน้าที่ก็ ค, คือหน้าที่อันนั้นคือศีลถ้าอยู่ในกฎในระเบียบคือศีลถ้าพระไม่มีศีลพระไม่มีก ฎ, ไ ม, มกฎไม่มีระเบียบแล้วจะอยู่ด้วยกันเกะกะล่าลานเลอะเทอะดูแล้ ว, ลวมันไม่น่าดูไม่สวยไม่ถูกต้องไม่ใช่หลักพระธรรมวินัย พระธรรมวินัยต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบ ม, มีผู้น้อยมีผู้ใหญ่พระวินัยของผู้น้อยคืออะไรวินัยของผู้ใหญ่คืออะไรในพระวินัยให้พวกท่านศึกษาให้พวกท่านทั้งหลายศึกษาพวกท่านทั้งหลายจะรู้หลักพระธรรมวินัยนันคืออะไรเมื่อวานลูกพ่อเขาไปอุดอนเขาจัดงาน พุทธสยันตีพระพุทธศาสนาครบหกร้อปีเห่ทำไมจึงว่าครบหกร้อยเขานับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเขานับรวมเข้าไปแต่นับพศนี่ก็คื อ, คอนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วนับพศหนึ่งแต่เน้นับพศที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้รวมกันแล้วได้หกร้อยพอดี เพราะนั้นเขาฉลองครบ 600-2,600 ปีพุทธศยันตีมเมื่อวานนี้คนก็มากอยู่แล้วก็มีการอบรมมีการพูดทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายครวาสหลวงพ่อก็ไปนั่งอยู่ช่วงระยะหนึ่งหลวงพ่อก็ได้เดินทางไปงานประชุมเพลิงของหลวงปู่เนย อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครก็พระเยอะนะเมื่อวานทังพระทั้งโยมมากอยู่ก่อนที่จะมีการแสดงทำการเทศเขาเอาไม้มาให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับหลวงปู่เนยได้พบได้เจอได้เห็นกันที่ไหนหลวงพ่อพูดใส่ไม้คนได้ยินมาหลวงปู่เนยเป็นคนบ้านกุฏแท่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยะโสธรนะอยู่ใกล้ภูเจ้าก่อแต่หลวงพ่อเขาอยู่ที่ภูเจ้าก่อสมัยนั้นเป็นสมณีนหลวงปู่ล่าน้องชายของหลวงปู่เนยคูบาหนูเมยแต่เดีนี้เป็นหลวงปู่แล้วล่ะท่านเป็นคูบาเราเป็นเนยเราเรียกคูบาคูบาสมัยก่อนเคยไปมาหาสู่เคยพบพ่านกันอยู่แต่สุขภาพหลวงปู่เนยเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรง ท่านก็สทรงทานทรงขันมาถึงอายุเจ็ดสิบก่ปีพึงมามรณภาพเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาจากนั้นก็ท่านได้ไปชมเพลิงท่านเป็นพระครูชั้นเอกนะแต่ท่านไปชมเพลิงเมื่อเมื่อวานนี้เห็นครูบาอาจารย์พระสงฆ์มามากอยู่หลวงพ่อกลับมาถึงวัดเกือบทุ่มเมื่อเมื่อคืนนี่ดึกพอสมควร น, นี่แหละอันนี้ก็คือภาละ ผู้เป็นหัวหน้าจะอยู่ตามลําพังก็ไม่ได้เพราะเรามีปู่มีเพื่อนมีครูบาอาจารย์แต่จาหรับตะก่อนเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ไม่ได้ผูดเราไม่ได้ทําอะไรมีแต่ทํากิ จ, จวัตรข้อวัดภาวนาไปเรื่อยแต่พอมาเป็นหัวหน้านี่พวกเราจะรู้หรอกต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นหัวหน้าแล้วทาหน้าที่อย่างไรเราต้องเด้คิดต้องได้ดูทั้งตัวเองทั้งวัดวาศาสานา ในบริเวณละแวกใกล้และก็มองไกลจะทํำยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมอยู่ในชุมชนสังคมของหมู่ของคณะแต่ถึงยังไงเรื่องตัวเองอย่าให้ขาดตกบกพร่องเรื่องภาวนาและจิตตภาวนาของเราอันนั้นคือหน้าที่โดยตรงถึงจะทํางานทำการขนาดไหนถึงจะไปที่ไหนการงานมากน้อยขนาดไหนก็จะเรื่องภาวนาเป็นเรื่องหัวใจเป็นกิจกรรม เป็นกิจวัตรประจําวันประจําใจของพวกเราท่นทั้งหลายอนยัญญาได้ห่างเหินอย่าให้ขาดตกบกพร่องถึงตรงไหนจะขาดตกบกพร่องก็ตามแต่เรื่องจิตภาวนานี่อย่าให้ขาดตกบกพร่องกลับมาแล้วก็เดินโยงกรมนั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธนั่งเดินให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดถ้าเป็นไปได้ผมวัดของเราก็อย่างว่าก็ไม่มีอะไรอย่างผมค็เหมือนกัน ถ้าไม่บอกไม่พูดกับหมู่กับเพื่อนตอนเช้าก็ไม่มีเวลาที่จะพูดอีกเหมือนกันถึงเวลาตอนเช้าเนี่ยพูดหนาทีสินาทีสิ้านา ท, นาทีแต่เราก็พยายามพูดให้ถึงประมาณสัก15บนาทีนั่นแหละถ้าพูดน้อยกว่านั้นก็ไม่ได้เรื่องสั่นเกินไปถ้านานเกินไปก็ไม่ดีอีกเหมือนกันแต่ไม่พูดเลย สำหรับผมเองผมว่าอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่มีการพูดเลยเดี๋ยวก็โตโตเต๋อไปคนอาทิตย์คนละทางกันอีกไม่มีกฎไม่มีระเบียบถ้าพูดเกินไปก็น้ําท่วมทุ่งอีกเหมือนกันนั่นขนาดไหนมันจึงจะพอเหมาะสําหรับการอยู่ด้วยกันเพราะนั้นผมเองจึงพยายามพูดตอนเช้านี่หน่อยนึงมีเวลาบางทีก็มีเรื่องเออพูดยาวหน่อยตามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องพูด แล้วก็วันพระอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นสรุปแล้วก็คือถ้าเราไม่พูดกันตอนเช้าอย่างตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยเราจะพูดกันตอนไหนมองดูสิไม่มีนะผมว่านะพวกเราอยู่ด้วยกันมันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหรือว่าการบอกกล่าวเรื่องกฎเตียงระเบียบเรื่องก ฎ, งกฎหลักธรรมที่ไหนของวัดเราควรจะให้เป็นอย่างไรถูกต้องไหม นี่แนหะถ้าบอกหลวงพ่อพูดไปก็ตามถ้าหลวงพ่อให้เหตุผลไปแล้วเี่ยมีสิ่งที่จะมาคัดค้านไหมมีเรื่องที่จะมาพูดไป ห, หลวงพ่อเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วพร้อมที่จะให้แนวความคิดพร้อมที่จะฟังทุกคนทุกองค์ที่แสดงออกมาในทางที่เป็นธรรมถูกต้องเป็นธรรมเป็นวินัยรับพร อ, อนุโมทนาให้พร